เขาปฏิพ่อแว่แล้ะแม่แว่เพิ่นน่ะดินเงินดำมืนดำสองมือนเ น, นี่ยเขาประกาแว่ที่ราคาเนี่นั่นแะปัญญาเขาหุ่จักบอกเขาอ่านออกปัญญางาจะไปใส่รถลบใส่บ้านลบปู่มหาเลยกับแว่ทั้งอื่นนั่นนี่ยเจิงเขาในรถ เขาในรถไปกินเขาในกระเป๋าเหนแล้วะเป๋าเขาพออ่านปฏิัท่าของหลวงปู่มาหาออกได้เหรอถ้าหวังอยากในานาได้ตาไปเอารถจกักรซีบขั้นบุงด้วนี่ให้โยมไปบุงจกักรีบขดมาเข้านางน า, น า, นานไปบุงโ้ยไปหาหลวงปู่มาหามอ่าันบุรีใช่ไดจ้างหลวงปู่ อ, ออกมาหลับ พขอป้าไปใส่บุสันอรรถว่าตัวไปพอดพ่าป้าเข้านั่นโอ้ตัวอยากควอนถบซิวใส่หัวหมอสันเขาโน้มไปนําเล็กข้าเจะวจักวิธีท่าขาหน่อยขาหน่อยบวกด้ไปรบกว่เนข้าเจาดอก้าเจาะให้เขาหน่อยพ่ามากข้าเจาพวจักวิธีเหตีดจนข้าเจาะพกจัเดนข้าจาะพกจักี ชี้งองวักะเฮิมกระหามเพลินยงวงวกเฮิมกระหามพิีใหญ่คนน้อยสิว่าฉะน้นคือชีงววกเฮิมกระหามเพล่นไปกับพ่อบังแน่กันคืนเห็นแล้วเพลินกัลุงมาซารานี่เพลิอิน่าพอแดงยันขาว คีอว่าเพิ่นกับพกควายไปใช้เพิ่นกับควายร่ออยู่วพะพอเอามันเห็นการหุนนะหลวงปู่หมันก็คือกันเว่า ม, มันของง่ายๆเว้ยหลวงปู่หมันเมื่อใดหวังเหงยียงกับผู้ใดได้บกุญช์ผเสื่อมกับผู้ใด้าหลวงขืนไปยามมั่อ นก็บอให้เอามะปูลยเป็นนางป็ดนี่เองคหลงด้เอามปู่คหลวงมายังวะเชื่อมาสืบเบองสันบอกในยุคข้าวอาจารย์มันปฏิบัติดีวะ่มันที่จิงบอขาดไปไปเบิ้งก้อนคิว่าสันบอกวะเชื่อทีมาสืบแค่ยังวะเชื่อสืบเบอจะค้องเพียงตัวปุย่าหลวงมอบลงออ ญาตปันยังถลวงจากวันคนครพนมที่มาเบ่งสากสีเบ่งกันมันที่สมว่าที่ว่าสมบอกว่าฉันพ <c oughs> ู้ถ่าเมื่องของง่ายๆบอกโอ้ยขดจริงลูกอย่าเามียกเข้าเขาจะก็แล่นีหมดละข้อมาเกิดนี้คือหมอกของฉัน เดกับแม่คขาแม่ซี่ให้เจำกัดหลยเสียไปติดต่อให้เขาทักสบบาทบอกทักพาตโคตเอให้บอกว่าได้เห็ดพระองค์ไดเห็ดลอยหนีโหลดพระเนียนเท่าก็มี่นุ่มๆโยหัดเห็ดบวเป็นมาไปวุ่นกับเขาให้ยังนกอย่างง้อไก่น่าเรียงมากไครเข่าวะฉนเห็ดบวเป็นบอกวะัน ทางไหนมาทา้งไหนไยไปเที่ยวทางไหน ไ, ไป ไ, น ไ, ไปมาทา้งไหนพูดเเ่าค่อยหลวงปู่หลวงปู่ใหม่พุ่นไปยู่ดงวงมันหันพวกนี้ไปยู่ดงวงมันนี่ขั้นกับคืนมาแล้วพูดเเ่าค่อยแหละค่อ ย, อ ย, อยจะถามค่อยจะถามปวดจะถามเดีแท้กินอะไรพ่อมานะ่ากินอะไรพ่อมานะหน่าโลด นอนคนจับเชนโยงสิทันี้คุณงงวาเรื่องคว า, งามาหน้าใหคอ่อยๆให้จนเหมือนียเงีไเงี้ยเงลูกก็คลักรอดตัวไม่ยัง้งไม่ยัง้งไม่ยัง้งเห็นตัวเปทังไลยไปังไลเห็นตัวคือออกโลดพวกจับเชนนิน่ใสของหลวงปู่หมันไปทั่ฉันเดยในเรื่องของง่ายๆด้ บัวเรนบอกว่าฉันผมบอกเสียกูหว่ามันน็กับพิกเขเว่พิดเขเว่พริดขเว่ยร้ายก็อุบาสกอุบะสิกาได้เพราะนามเน่โร่ามเน่ี้ามพิกุนี่กับก็มี่หน่อยาะันมันไน็ตก็มี่แต่พิกเขเว่พิกเขเวมื่่าะันพริเเยเป็นขามกลางเลยหน้าพิกูนี่กัว่าพิกเขเวคือกันเลยเอาว่าป็นพิกเขเว่ยป่ตัว บวชเล่นบวตัวบวดพ่อใดวิสาไปครอบโลกทนบวชตัวบวชเลื่อนเอาหนังทำตีทำโทษทำเอกพอไดไปไปเป็นตำรวจทหารมาสันบวกวัดฉรนคำองสันมันก็บบวชของไตฉันเอาโค้งเราที่วัดฉันบวมันนักปฏิบัติผสมฐานะปฏิบัติฉันเปิดมาเส้นนักเรียนโยกไหววัดฉัน คนปฏิบัติพรปฏิบัติบกวนไปมุงังสัยผนว่ามักแท้มันกรรมฐานกับเป็นนี่มเขาสอบรงเลี่ยงกับไปกวดขอปปัญหาซอยขนแห้งขักร้ายในแหงตีแห้งอ่เขาวาตัวว่ได้สั่นบอกว่าสั่นีง่มเขากินเพลนกับปฏิไปเซลน้ำเขาส่ตัวส่นตัวเพิ่น โเห็นยังกินอาหารว่างเห็นตัวพาดำๆไปกวดขอปัญหานะเขาเห็นยังมาเัร็จจาดในข้างนี้ี่ยังสันตัวเพยเดียวสิ ป, ประหาเดือ ก, กรมพ่อวันหน้าสั่นตัวจาไดนนาดตาไอยังงสั่นตัวหนีปไปเยสุมาวัดนี่เว่าเั้นมัวัดเครื่องทอนดอกสันตัวมันคองง่ายหมดมปูหว่านพระนักเรียนพยายาม ท่านเรียนพยายามพยายามไล่ออกเปิดสามมือนะไปฮิฟ้าไปทองไปบนใช่หมั่นมนีมันเือกทองเถิกเถือกบนใ่มสั่นามันเนี่ยถือว่า ก, กวนกันใไัพระพุทธเจ้าส่งเสริมทั้งสองท่าง่หสั่นผู้เรียนใา้ตั้งใจเรียนผู้ปฏิบัติสายตั้งใจปฏิบัติสืบศาสนาใ่ไั่นพานักเรี้ยนไปพัด พระปฏิบัติไปพักลุกกพานักเรียนเกินเจ็บมือขึ้นกันล่ะหลวงปู่ ม, มาหายปานยังเสียเวลาเดือนเ ด, นเดนกลมพ่อหน้าของโตวะสันเสียเวลาทองเหล่าบนของพระเจ้าสุดตัวม่ไหวจะมันไปเก็บไปป่วยคาเป็นช่วนหนึ่งไก่กันเมื่อสันรับไปม่ถึงมือ ไปวิเวกกลับขึ้นมาโ่าได้คว่วโม่ให้จำพัฒนาน่ำไปเที่ยวเล่นซื้อฉันว่าโตัวเดียวไปวิเวกไปวิบุญขึ้นขังฉันบ่ก มีที่ห้ม ผ, ผ่าเพิ่นพระร่างกาห้มผา่าปิ้นทั้งวาดเข่าไ น, นแต่ปฏิปทาห้องเห่ะห้มสองทางรอๆปิ้นทั้งหัวข่นเพิ่นกระปิ้นปิ้นทั้งตีนขืนเพิ่นกระปิน้นสลับกันเสีอววาดออกไนเข่าไนกรบเพาะเพิ่นกรบเพาได้พิษ พลันก็บวาเรวาพลคนนี้ถือว่าผิดแต่ส่วนของพลของอาวาตออกเนอกผู้ไปซ่อนพลายพนตอง น, นี้คติมือนี่ปิ้นผ่าสะบงลงเอาทั้งตีนเป็นทั้งหัวมือรุ่นมากก็ปิ้นซับพ่าชีวอนคือกันพ่าจีวอนพนใส่ดุมทั้งซีท่า ง, ด, ออ ง, างดุมข้อใส่สองทางดุมข้อนี่ถือทั้งที่สุดต้องใส่ ดูงตายหัวปลาปลได้เหมือนปิ้นทั้งนึงเหมือนนึ่งปิ้นทั้งหนึ่งพันจีของพันไดแท้ๆปินถืพนก็หายนลดเพื่นเราผาขาดท่านกันน่าไนได้วาาไมน่ปไดถือว่าพิษเนของจ่นเนี่ยเวลาใสวัดใสทั้งดูงไงพนกระหวาใสเขาห้มาใสทั้งดูเรียบ เพาสีอาวาดออกพระอาจารย์ทิ้งท่องคนไสทั้งดูกไงคันยิบดูลยหน่อยเด้อคุิ่มดูงไงในคนไส้ปีนทั้งไงมันออกมันคือนุ่งผ้าพื้นเดีออเ่ยวพุทโาบ่มีขันบ่มียังมส่แต่บ่ได้พิษบ่ได้พิษพวินัยฮ <c oughs> ันดีบาทเครือบนี่ได้หันมันเพี้ยนบ่ฮั ใช่ไหมนั่นมีบาดเรือบหน่วยหนึ่งอยู่บาดน้องผือของวัดบานบาดบาดเขือบคือซ้มเขาออกมาต่ร่างกาเขามาให้เนีคู่เขียนแต่ขางแม่นดาเด็กแก้เขาของเรือบเรือบของพ้นแล้ว พระเอกจันมหาได้ถามน้งปูมหาบาดเขือบนี่มันสีใส่ใดบนองเขาน่อยเะไนเป็นกระจอกใสจวบบาทนี่บาดเขือบมันกระจัดเขาในบาทเล็กประสันพนวา่าบาทเล็กหนึ่งบาทดินเผาหนึ่งส่งอนุญาตสองยางอะารกนพอจัดเขาในบาทเล็กได กันที่บ่มนี่ก็มีคว่ำหมายล้วบรหัมันเกิดสนิมนับตะเกียบไส้ขึ้นไปชีด้วยไผ่ไผ่ผ่านไผ่ค่ะมันเกิดสนิมมันก็ใส่บ่บได้สีใส่ไผ่เดียวครับมันบุมนี่สนิมมันกัใส่ได้นันจะเก็ยบมันนี่เหมือนบอกองศ์หมายคว่ำบอกบาดพ่กบ่มนี่มันอธิษฐานพวกขืนมันแมนบอกเขาน่อยไม่ใช่ คำนันมีขีเมียงโยมันก็อธิษฐานบ่ขืนนะคำนั้นโมมีขีเมียงมันก็อธิษฐานขืนเท่านะคนบอกสั่งหมายข้บุญโมหาไม่ขีเมียงพอไฟโม่าห้มีขี่เมี่ยงไม่คมหมายเท่านะสิไฟเ้าไฟกระสังคนชิมยางเกิดมันกตใส่บ่ได้คนบอกสังที่โต๊ะมานี่บาตแตนเล็บ่านบางท่านร่างเกียรบาตแตนเล็ ว่ามันว่าได้บ่ม่เเอาไปบ่มก็มีเลยไ ป, ปพ่สีก็มีแต่โต ว, ว่าสงสัยโตเพราะได้กินเควงหลานสักวเลคำว่าบ่มก็ะมาความว่าบ่บ่ห้มันเป็นสีขาวาวเดยวธรรมดาว่าสี ม, มัม่เนเมนดเดีแต่ตเล็กแก่ยัดเขาในบ้านเล็กนี้ บาดที่ส่งอนุญาตมีสองยางบาดเล็กบาดดินเผาหนึ่งพรวีนัยบาดดีบุกบาดท่องแดงบาดท่องเลืองบาดแก้วไข่ทุ่นบาดแก้วผลึกบาดแก้วหูบาดไม้บาดชีลาบาดชังกระสีคามบามของแทนบาดอีกสมอย่างกระโหกหน้าเต่ากระโหกหัวผีและกระทะดินพอวีนัยบอกบงสัตว์แล้วเขาก็สงสัยเรียวบัน สเตนเลบางท่านลังเกียจ นิสาแก้ตาพระนิสาปุ๊กเสกพระปุ๊กพระให้ลูกจมแล้วกษณ์ยังสิพระลูกวสันต์นั่นละมันบาปโลกมหาวิกี่นะโลกวสันต์พันลูกก้อนเท่าแหละพันขั้วซูพันในพ่านแล้วว่าสัตว์ตัวพี่ดีวิเศษยิงนั้นปุ๊กหูพระพุทธลูกว่าสัตว สมมติเราพพุทธรูแล้วก็แล้วเท่านั้นมันเนี่ยจะประเสริฐประสานพลวังกันันที่เห็ดเป็นไม้ก็ดีเห็ดเป็นท้องรอก็ดีหรือที่เห็ดเป็นนินอิตรีคอก็ได้สมมติถ้าพุทธรูแล้วก็สุดเท่านั้นนะครั่แล้วมันเนี่ยจะปร้าอุบายบวชแขวนนว่นแหละอันนี้มันทิศทิเสยศาสตร์ทิศทิพามพนวัครันลัทธิพามลัทธิเสยยาสตร์ังก หมายจะเกี่บัตรเบอร์กับบุมี่เด้มันเกิดขึ้นมาใหม่นี่หรอกว่าจีวิญญาตบุมี่ในหลวงปู่มหมั่นโอภาสแสดงโอภาสแสดงเรียบเครี่ยงเพื่อที่จกกระเป๋าคน ใส่ว่ากีวินยัดเพื่อที่จกกระเปา๋าข้นมากอมาส่างมาใส่ส่วนตัวก็ดีมาใส่ส่วนร่วมก็ดีมาใส่ส่วนสงก็ดีเมื่อมีเนี่ยปฏิปทาหลวงปู่มหมันพรไปส่วนเขาเฮ็ดกระถิ่นกับเมื่อมีเนี่ยเปฏิปทาของหลวงปูมหมันพรไปส่วนเขาเฮ็ดกระถินมันกับเ่อมัน ก, กระถิ่นแล้วสั่ง กริ่นเรียบเคี่ยงกระถินโอาหาดเนี่ยสัตว์คนบอกสังไผากระทิ่นจังเป็นผาที่ว่าเป็นหนึ่งาเป็นผ่านิดสักขี้สอง่เป็นผาท้ำนิมิตได้มากสามว่าเป็นผาโอหัดแล้เรียบเคี่ยงจังเป็นผากระินบริสุทธิ์เป็นหมองสั เรือนคนจองกฐินกับบมญในปฏิปทาของหลวงปู่มันมีหลวงปู่ ม, มหาบ่าเอาลงในที่ว่าประวัติเพราะโลกมัสิแตกพนจีข้าดแก้หลวงปู่ ม, มันหลวงปู่ ม, มหาหัวจับกันยังเอามาจองยังไหน ม, มุญเงี้วจองคุณวางสิเขาอยากท่านก็นมาท่านเขาบอกว่าสิสมาจองท่านยังไหนวสะสิมันบอกว่า กัินเนี่ยเามันเนีย้มมนน ย, มมนยมสิมาบังคับเด้ไหมสั้นผ่าเห็นสมกวนเราผ่าเนี่ยก้วนกาลหรือบกก้วนกาลขึ้นยุคกับสูงเลยไหมสั้นเพราะนายบอกของฉันหลวงปู่หมันบอกว่ ม, ว ม, ก ม, มันย่อมสิมา ม, มาเหตุบังคับรับเล้ยจงการด้วยผ้า น, นี่เพื่อประโยชน์เพื่อวามสูงแก่พระเจ้าทั้งหลายสิการนานทนนิพพานปจัจโยโหตุอินสันบเบอมีด อ, อ เรื่องอีมัง่งเรื่องอีมาบ่มีในสำนักของหลวงปู่หมันพูดให้ประเทศนี้ยังบริวาอีมา น, นีอีมันบม่มา น, นีอีมันอยู่ปลาศีดานีอีมันยอยู่ปลายอา่านี่บ่มีดอกมี่ในปฏิปทาของหลวงปู่หมันนีมังบางสกุลกีวรนั่งอสงขัชาโอโนชิยามะสาธุโนพคันเต สองโค้งชังสี่บ่มีดากมีแต่บางบางบางลงบางหล่นนเห็นชมพูนังไหนนกเทใส่ใบเจ้าผสงบนคนสีเอาผู้เดียวอีม่าบ่มีในไปทีประาของหลวงปู่มันอีมันบ่มากับบ่มีอีมั่งกับบ่มีอีมันบม่มัม่งกับบ่มีใครไปท่านออานี่ยังาเพินพว ก, กาวาแค่หหนีอ่ะน้ใหม่สองสานอกระเดือบอมาสัพเพนทัพไงก็ไม่ได้กิน น้องไล่ฟงเสพผักผักับแล้วได้มาโดยบริสุทธิ์แต่มาด้วยดีว่าแต่ด้วยดีตายยังได้ขา ง, าขา ง, าขงหัวกห้องอกๆยูนี่เป็นปฏิป ท, ปทาของหลวงปู่หวานมั่งนี่ปฏิปทาของหลวงปู่มห า, มม า, งงมมหาก็บข่อยมีนี่กระหางที่สุดคนอารมยังสุดๆนะครับนีกระไร เรื่องภาวนา่าลุงปู้มันตีลงในสะกนละลกายร้ายก็สู น, นี่ยเพว่าผู้ภาว น, าาน่าอาณาปณะสติร่มหายใจเขาออกกับคือกายนั่นเองโมเมนอื่นเพื่อออกลงเขาว่เมีกยกายกจะยุบอะไรตกแตกตพลางผ่นผู้จเจริญอานาปณะสะติลุงปู้มันบดิปฏิเสธว่าบมเมนตพี่จะหนากายเด้ พี่ชนะกายกายสังขารตัวล่มให้จะเขาออกคนวางสจิตตสังขารที่อันนึกว่าร่มรม่วล่มเหมันว่าสักใส่บันซื่อบัญญัดว่าล่มรมจิตตสังขารมาสักนี่ขวัดปฏิปทาภ้ายนากอั น, น้ว่า จะมัห่าออกมาจากภายในน่ะเพราะผู้ชิดผู้ใจภาพปฏิบัติของภายนอกมันไ่มีจากแม่อะไรเสมอมันมีแต่ของภายในหมดเด้ศิรักขโมยสกปรกเป็นของภายในหมดผู้ถือชิ้นถือเท่ากับเป็นของภายในผู้บ่ถือชิ้นถือเท่ากับเนของภายในของมันออกมาจากใจเบ็ดน่บอกสันเอาโล่ ผู้เหตุบาปกับมันของภายในผู้เหตุบุญกับมันของภายในผู้มักผลในผ่านกับมันของภายใ น, มนเมด่ของมันออกมาจากคิดจากใจหันของคิดใจเป็นผู้พาเหตุพาทำอันไหนสีบลอ น, นของภายในนาะผู้ใส่ใสใส่ซื้อว่าโลกโลกสังขารผู้ใส่ซื้อว่าอดีตอนาคตกับมันออกมาจากภายในหันออกมาจากคิดจากใจผู้สมมุดขึืนหันสีวา่ายังไรสันอันไหนมันมีของภายนออกจากแนวบกมันก็มีแต่ของภายใน คนสมุดของภายนอกคนก็สมุดไปซื่อหรอกพระเชต tha ทำวาใช่ทำภายนอกวะใช่ผู้ใดเป็นผู้ไปนี่เอาทำภายนอกอ่พี่แกหน้าเป็นผู้หนายของเกา่า น, น่ยกบขนหน่ายโอ้คนนั้ยั่วอาชิตาทำทำภายใน่ายังไงพระเชต tha ทำทำภายนอกวะใช่ทำภายนอกกับทำภายใน งที่มันเป็นสังขารมันขยุตแต่อานาจไอนน้จังซ้ำเกาหะบอกเสาเวีนพนิพพานถ้ำสาสัาเชิงเลียวเวีนนิพพานถาซาเย็นเชิงเดียวเวีนพนิพานาานน พ, นพานขันชิงเลียวมีมุติขันเด้มีมุติญาณนะทัศนาขันเด้พระนิพพานพนิพาน พ, นพานก็นยังเป็นขันบอกกับมีมุติขันเนีย่ย ก็รูกปูหมันนี่านเนี่ยบู๊แตกสารขึ้นหลายปฏิปทาปฏิ ป, ปทาที่ปีนเกี่ยวขึ้นหลายมันมันของหน่อยอี่างนีเพราะถือว่ามันเป็นสมัยหมอญละมูกหมือนใช ต้องเป็นหม้อนละมูขึ้นกันเนี่ยโยงเขาบอเป็นเองนี่ผู้ไปขูดปไปเกาเ่าเขามาทอดผาป่ากับลบปูมันยังสิลบปูมันมาใส่เลยไหนผู้อื่นผุดใส่เขาบอเป็นเองพระไปขูดปไปเก่าเขามาคนบอกของฉัน เน่นตัดเห่เพิ่นเนี่ยเพิ่นกระใสยู่งลำมือนี่แหละเพิ่นงจักาเพิ่นก็เศาเพิ่นหงจักต้งหงผีเพิ่นก็บวบใส่ซักอยากจะไปนั่น น, น, น, บบล น, น, นหลงปู่มันพองค์นึงออกกลางหงปูมันไปวิปเวกว่าสพอบ้านน้องบัวหันา บ้าน้องเพืออปพัหาไปสื้อเขาเห็ุบุญพาเอกเท่าไห่เขาเลยเหตดบุญพาอเอเพราะเขาขึ้นมากเขาขึ้นมากเลยผมสียอมท่านสงยอมผมบอกสีญญสีพย่อมน่นหลวงปู่ ม, มหาภารวายผ่าองค์องค์แรกสร้างทาบอกซื้อเพื่อกปยาดอกซอข น, น า, ขาดาตุเพิ่ ท, ท่านจะยอมบมเลยสิผมยอมม า, า, อมมาโอ้ยยอมแล้วพ่อหลจังว่าท่านก่อนท่านสออกไปมีวิ่งเที่ยนผมก็หายแล้วรับไฝ่ผมก็หายแล้วผมก็พ้ามือพ้าเพื่อนจัดแกงหาแล้ววัดแล้วผานุงผ่าถือไอ้ยังกับบริบูรณแล้วท่านท่านไปอึดไอ้ยั ง, ยงท่านจังไปส้วนเขาไปเฮ็ดบุญปรเวทปรสท่านอึดอยากอ้ยังประเสริฐคันผมงอให้คนสร้างนี่ ท่านอยนีบ่ได้เลยนี่ท่านต้องเลหนีเนี่ว่าั่โอ้ยิ่งสุดว่าถอนขนอยว่าั่งยอมแล้วเรว่าสั่ปนั่นเนียพิษเพิ่นถวันเนาะท่าน่มีหยัง่งว่าสั่งพายิว่าทอนสบายกลาห้ฮแล้วอาว่าสั่่มีเนี่ขาดเนียเพิ่นยังไม่เอาไปก็ไรว่าั่ ไปส่วนเขาเฮียบุญภาเวดด้ยท่านบ่งจากบุญภาเวดบอกว่าสั่งท่านปฏิบัติพระท่านอยู่กรมธรรมนว่านบุญผาเวดบอกว่าสั่ท่านไปส่วนเขาเฮียหลวงปู่หาให้นี่นี่นี่นนี่ผมบอกอย่างดีนั่นนี่ว่าสั่งถามท่านบรฟังมาผมถิไปบอกคนฟังได้หีือไม่สั่งโอ้ยยอมแล้วเขาน่อยนะสั่งคนได้บอกบอกให้หลวงปู่ฟังหลวงปู่อ๋ฟัง มุกคือหมูเห่าเลยเพิ่นไก่กันก็หมูเห่าหลายๆเขาไปมุ่นเพิ่นเพิ่นยุวันตกลูบหน้ามุ่นหลวงปู่มหาบอกให้ฟังเขาไปมุ่นเพิ่นคนลอยหนึ่งซองลอยไปมุ่นเพิ่นเฮเพิ่นมากโอ้ยเ้าเศร้าเ้าอย่ามาเฮเห่าทำเห็บมูตัวเห็บว่าก่อนจะหันไปลักไปทักพูไปรอกับพระมันโมวีเล็กก็เสดนว่าอืม ที่ไปเย อ, อ่าหรอกให้หมู่โตไปก่อนใช่ไหมอะไมากเพิ่มเลยมากครับสามพระพระสามชี้องค์รัดมาทาั้งบัดพระคำพูดพี่รัดมาทาัา้งบัดพ้นงามพี่รัดมาล่องผือสมัยสมืออ่นหัวได้เอาสมัยนั้นมาใส่กับ่ะไรอีกมีต่ตะโจนต่มาน เขามาหาเห่าเขากินจังไหนเขาอยู่จังไหนเขาต้องหู่จักสุกถูกเขาบัดเขาไปเขาสวิตอันตราไบอไปสิมิวบุนี่อันตาไลข้างหน้าบอสันมันกนระตองนี้ต้องควบคุดเขาสมัยชูมือนี่บ่ได้ว่าสันกับว่ท่านกับโลกว่าท่านกับขุนจะล่าจนของโลกขันเอาแบบของหลวงปู่ห ม, มันมาใส่วัดหนึ่ง ทีกูโม่กูหัวยำยำมืนเซื้อมื่นนี่บอกสัอา์อร่อยเขามาหาเห า, าเขากินจังไหนเขาอยู่จังไหนเขานอนจังไหนเขาไปพักก็เฮือนนัน่นเฮือนนั่นไปแต่เตือใจได้บ่เป็นคนจังไหนเขาต้องมูจกจับเหาะต้องอ่านภาพโพดออกมุดมันจังไรตลอดจนเอาผ้าเขาไปในทิศตะวันซีเสร็จแล้วไปงานชกงานเชฟมั่วไงเขาอยู่จังไหนเขากินจังไหน ภัยใดอยู่องเขาเขาก็ต้องสืบต้องสวนญาติโยมภัยญาติโยมมันมีสิทธิทเบิงออกของภัยของมันว่าั่นก็บวัฒนจากอันตรายสมัยสมมิมันเป็นเรงสัตว์นี่ค่ะเนี่ยเขาสิไปเอาสมัยนั้นมาใส่บดมันว่าไรได้สมัยนั้นงกก้กล้วยปล่อยสามปีก็วิภูไปลักไหม มาาเหาเขามากั็ไผ่เขาอยู่จังไหนเขาถือเงื่อนถือข้ามมาหลายปานไหนเหาตองสำเนียบสิบูสิบูสิมี่สิบุมีผู้มากี้มาปนสิบุมีผู้มาลักเอาเขาไปไทยไปถอนหมองสิมันกับคืนภาพภพดก็ผอมมูเห้าอีกได้สมือเนี่ยมาสั่นบ่ได้บุพลอันตราย ให้ตามกาละเทศาของโลกของโลกมันนับมือวุ่นไหขึ้นได้เสมอเนี่ยจะกี่ปฏิยินเขา่าเขาขาพระจะเคลือเไดสองปัญหามานี่เลยนี่เขาวขาพระได้พระเขากันยังขาไหนบอกองสันเอาหลดว่าในทีว่าเนี่ยบ๊วยมันล้างว่าสิ สิว่ะออกมากระทบกระเทือนโลกสมัยเสมือเลยดอกเพียงคานั้นมานีแหละโลกมันปันป่วนเพิดหลายจนถึงปา น, นันแหะมาเทียบเคี่ยงกับสมัยสมัยนี้โอ้ยังมันไกลกันหมดสู้คนไกลคือว่าสิเยืะปาย่างนอยู่สูงมาเทียบบนกับสมัยสมืยนี้โอ้ยไกลแต่แทะสมัยยุคบ้านมอกคือสมัยยุคบ้านมอคือ สี่หาพัญษานะี่รับสมัยสมือก็หนามันเป็นร่งมือไายอ่นานีล่เนาอยู่เรื่องค้นที่มาทอดผาตป่าครับหลวงปู่หมันหลวงปู่หมันไม่ได้เกี่ยมเงาเจียนโยมห้ตอนให้รับอย่างเขาเพราะมันบ่าม่ามูใหญ่เมื่อฝูงป่านนี่แต่ว่าหากักฝนหักแห้งมอ ลมบาแห้งฝ น, นแห้งลมเบาแห้งฝนแห้งคือจังไหนปัดใจสีเขาเอามาร้ายมันร้ายขังนั่งผ่าเขาเอามาเทือสามสีเราหาลอยใหม่สามใหม่สามลอยผาสามลอยผ่าสามลอยหลาตะกี้มันเาถากะเ่ากลั บ, บว่าผ่าข้หลาในเสมอนี่วอกสัน้น พอเงินตะกีมันแพงแ้วมาทอดพรป้าหลวงปูหมนันี่ซ้อมประเภทประเทศนึ่งขอาร้อนมาโหลดสมัยนั้นเขาเห็นกับหูกับตาเขาเข้าร้อนมาแล้วเข า, เาไปนอนอยู่บ้านคนเขาก็มาบุญทางวัด พระเจ้าพระสุนจัดแจงและตอนรับกลางสมัยสมือนี่ตื่นเหมือเศรามาเขากับมาบินครับเขากับใส่บาทง้องปูใส่บาทพระเจ้าพระสุนอยู่ในบาทพุนเขาสียบาทอาไดรก็ตาม เมื่อใวนบัดบุญหม่อมหมุนพระองเจ้าดูมูงชาวมาเขาก็ใส่บาทพระใส่บาทพระแล้วเขาก็นั่งมาพร้อมพระแล้วเขาก็เอาผ้ามาบองสกุลหลวงปู่มันดองสกุลไว้นํนาหัวกันใดท่านขึ้นบ้างนั่นบนท่านทรงกรมท่านบ้างบานท่านไปฐานบ้าง บางท่านกบ็บางจำพวกกับบางบางบันบรรกจากบินธบาตมากเครื่องท่าหันเขาสีอยู่ผู้มีศรัทธาอยู่หลายมือแต่อยู่หลายมือด้วยในเมื่อบุญให้พระเจ้าพระสงฆ์ตอนรับป่าใสพิชังดกเพราะสมัยนั้นไม่มีโจรผูม้มีผู้ารสงบ สมนะัยนั้นบอาว่าสิ่งขอมานอนวัดนอนว่าให้พระเจ้าเขาสงฆ์แจ้งแจ้งต้อนรับปลาไส่ขี่เสืฐานขี่เสถอกยังเฮาสุมเลยนี่นหรอกหลวงปู่หมันนักนักทั้งแขกพระสมัยนั้นนักที่สุดแขกพระว่าจะว่าจะออกพรรษาแล้ว สองหมูสามหมูสี่หมูมาพักตัวสามสี่วันไรออกสามสี่วันไรออกมาใส่นมงมุมวันอ ย, ยู่นี่เรื่องปฏิปทาในเรื่องผาปลาเชิญผาปานาอมแอมบ้างเป็น ต, ต้นว่าทางไก่จากบ200ก้านพันยูสองร้อยเซนก็ดีสามล้อยเซนก็ดี สิบกิโลก็ดีสิบห้ากิโลก็ดียี่สิบกิโลก็ดีพขามาเขาเขาม า, า, า, มาด้วยฝีเท้าเขาเ่ามาบังแล้วบงังศักคุณเขาสอบบังเนี่ยปลาเขาสอบบังเนี่นวัดหน่วยเชื่อเราทอเสียเอาขืนไปเึ่งบงังทึ่งสาราบองแล้วท่านใดท่านบา้าหาเทือสีใหม่หาใหม่ก็ได้ เงินก็ปลออาลยดอกเท่าอร้อยสามร้อยเทาห้า ส, ส, บ, สบาทเงินสมัยนั้นแพงพาสมันั้นมันกระทุงเป็นใหม่แล้วเ็บาทามันั้นือ่บาทอบาทาสมัยนั้นไม่ถึหนหอยถึงสงหอ องท่านก่อนไปรับของเขาแล้วก็พระเนีก็เก็บสามเคยซึ่งในพระจับบ่ได้ก็ให้เนี่จับซึ่งในเนี đấy, ่จับบ่ได้ก็ให้โยมจับโยมกับพระเขาฮะ แนวกับเพ่ได้ว่าชื้ออย่างเขาสวยเขาเสียเขายังจังสมือนี่จะเขากินไซนอนไซแม่รัวเขาฟังเทศเพิ่งซ้อมซ้อมคว่ำเราเขากระกลับมิดมดเอาหลดใช่ไหมเทือกนึงกับนายอำเภอท่านนั่นา้ามาถอดผาปลาหลวงปู่เรองเสียงแก่วงมาในบ้านเป็นเสีย น้องกองก็ได้ตึ๊บตึงตึ๊บตึงแ๊บแ๊แต๊บแต่บตะ๊ตึแต่บแต๊กมากลางบ้านพุนพ่อขวามทงสิขวัตหน่มีดอ่อนซ่อนคนสามลอยสี่อยลองเท่ากับถอดออกไว้ผุนประกตูคุนพูวาย่อมถอดย่านคนลักนี้ก็จับหิวอนโตนอุนโถนโลด นางเห็นตะขาไสหลไหลไหลออกซาลาเอาไปวางไว้โฮมตีนเป็ดฮะหลวงปู่มันกลงไปรับลงไปรับพรนเนื่อเก็บผู้ต้องการสร้างเทพกับข้นตกุดเพนผู้ว่าต้องการสร้างกับกัยบเงียบ พิชังหเอกนับ่าเป็นผู้มีศักดิาดีจังแสนเ จ, จ้งสี่พากคันวิสาใจเต่าเขามากัสนสี่ว่าดะว่าลบผู้มังเตุป๊อปป๊๊ปป๊๊ปในทางปรมาจารโหลดทางศีลทางทวาวนา้าเขาโหลดตีเช้นังหุ่มโลดบ่าจยกขาท้าบาลีพิสังหอก บ่รื่วนมตัาดอกจะอยากฟังเทศหลวงปูมันนลมันบ่อยยากญาโยมนานั่งเงียบเงียบแล้วพระเทศโลดถ้าเจ้าพรสงเทกันค้นว่านั่งเงียบเบแล้วองค์ท่านเทศโลดหน่งอกนึพน่นึงนึงนึงตอการันหันหลังหันฝังใจโยนยังยังเทศดอกรับ กํมนาบทรัรับแทบแทบโยมไทยโ ย, ย, ยมา่ะพันเทศละฮะหลวงปู่มหาขยังเป็ น, ย น, น, น, น, นอยู่เนี่ยนี่หลวงปู่มหาผูา้เดยยียวสมัยสมันี้ยังอยู่ไก่กับหลวงปู่มาพระสุดใหญ่เห็นป่ชุมอื่นมายุ่น้าเพิินมดใอยุ่นําเพินขักน้ายกไหวสิดีกูหลวงปู่มหาจะยกไหวจะบอกจะบันตาเฮีนก็ขับ หลวงปูเทศดเป็อนุรุมน้ำมูอยู่เนี่ยแต่ก็ห่าสำคัญเยอะคนก็ได้คนเดียวคือกันทะเลาะหลวงปูเทศก็ได้หลวงปูฝันก็คือกันทะเลาะถ้านี่ด้านเก็บศพที่นี่หลวงปูหมั่นมาสรงสรรเสริญเลยเก็บศพไว้นานปฏิปทานี่เกิดขึ้นมาหลังหลวงปูหมันนิพพานเนี่ย เือมซบนี่ว่าส่งเสริมใชยแล้วทงเสริมเก็บไว้นานสมาธิสม า, สมาบัดรท้องไผ่ห้องมั่นก็สิได้ไปสั่ตัวส่งมาเห็นจิ้มกระต่มค น, น้มอยนีเบาเพลินข อ, องฉันหลวงปู่หมานีะทำไพเก้าผม่าได้เอาไวน้นานเลยพราฉันวัดเฉด ต, ตะวันมหาวิหารก ถูกเผาพระเ ผ, า, ผาเนี่ยประจําวันอยู่บวขาดเจ้าเถ้ า, า ท, ที่นี่เรื่องสวดมนต์ประจําวันให้มาร่วมกันสวดมนต์ตื่นเลิกบุกเสาะไหวพระเจ่าสวดมนต์กับบม่มีในปฏิปทาของหลวงปู่หมั่นุองเราห้องพักห้องม่านฉวดเต่ายห้กระทบกระเทือนกันนักปฏิบัติเไพ่ไดเทนโมให้เอาเทนโม่หั ผู้ใดถผู้ใดได้เท้พุทธังเอาเท่าพุทธั้งผู้ใดสได้ร้ายสืเอาร้ายก็ตามขอให้นักในพ่อวานาขอให้นักเดินโยกรมพ่อวานาหงส่กรรมฐานบ่มันี้ยสอวดเสียงบ่มันเนียสืหากินน้าเสียงดอกส่อมันสืสวดม้นเสียงมวนๆแถค่นเหลื่อมใช้เอาขนมกินขนมเลยพ่อวางสั่ลงปู่มาส่วนมือลงอบส ชนพาสวดธรรมดาทำเนียมร่วงอุโบสถของหลวงปู่มันตรงใบหนึง่งใบสองล่วงะ่ะเพราะวัดอมแอมมู้นั้นมาล่วงนำ้ำวัดอมแอมเกือกไก่อุทิธั a n s f เตนะภควตาชานตาตาปัตตาอาณตาสมาสมุเทนะ วาราปฏิโมกขัางตีหิงายห้าหิขั้นตีประมังตะโปตีติฆาบได้สวดคือห้าสวดสูง ม, มือนี่ถ่ายปฏิโมกนี่ปฏิพัท่าของหลวงปู่หมั่นในยุคบ้านนงพือนี่ยุอื่นมัรับรองยุคบ้านนงพือสี่ปีติดติตกันแนวก้าวทั้งนั้น เมล้าหายพ่ออนญญาณโยมวันพระวันเจ้าหายพ่ อ, อธรรมดายางสูงกับสัพพคุทธธ่าเส้นสวดพ่อหงทั้งสายบาดทั้งสวดพ่อหงบ่มีในปฏิปทาของหลวงปู่วันหลวงปู่วันหลวงพ่อเห็ด ยืนปิ้นกุ่นปิ้นก่อยมาใส่ผืนหนึ่งนบมือสวดสิตายไว้สันทนวาสวดเสียงข้ามแกคนบอกข้าลพผ้าหุงพระพุทธเจ้า ว, ว่าเดียตั้งไว้สำหรับสวดใจบาดดอกว่าสันตั้งไว้ให้คนนา่ารูคิดถึงวสันคนสวดเป็นกระละเทศช้าพ้าลบนับถือวสันว่มันสำหรับสิพ้าหุงที่มาสวดใจบาดไว้สันทนวา ั้งสวดทั้งไสบาทกองกลนกองกอยป็นก่นป็นก่อยค่อยกแค่แยะสัน่บนบ่มีน่นปฏิปทาของหลวงปู่มันย่มพระสันจังหันยมมาสวดมนต์ร่อนาะกบบนระบองงมีน่นปฏิปทาของหลวงปู่มันหลวงปู่มหายัางดำลุ่ยลุ่มสมองบ่ได้มีพระสันจังหันเนี่ยยมม่มเนี่มาสวดมนต์เบิ้งปากพระอยู่บ่มี สวดจึงในผู้พ่อวันหน้าเขาไม่อยู่ฮาลั่องผลสัมผลว่ายกสวดสมุ่ากันสวดอยู่แต่นในบ้านผลมาสวดตายที่ยังว่าสัมผลว่าของสัมฮันเองยำไปสวดเขานี้มุ่นไปสวดบ้านสวดเมืองนู่นกับบ่ได้นู่นกับไไกบ่ได้สวดมุ่น ไม่อย่างพันเตะสิรักสิรับสินหาเป็นพิธีกับเหล่าเตะสิมาว่าทึงทุติยตาติย่าจนสุดแล้วเสียให้พระสวดอีกบ่มีในปฏิปทาของหลวงปู่หมันข้าสั่นสู้ก็สวดเอาเองจี้ข้าสั่นสู้จะไม่พระนางฟังสู้สวดมนีอย่งไรข้าสั่นบนหัวขาสั่หลวงปู่มันบ่มีในปฏิปทาของเพลิน ถ้านนี่ยอยในวัดบา้านหนองพืนคนเขามีการมีงานพระก็ต้องไปสวดมนต์ในบ้านพระไปสวดมนต์ในบ้านเขาเขาต้องมนต์นี่แหละใบสองนี่แหละต่อไปห้อนปันนัยกระไดซ้อนผาข้างข้าถือขังเต็มที่อันนี้ให้บอสอนบอยเลย กับไผ่มาท่านกวดตากปัดตากผ้าว่าไรอันนี้กับไหมาท่านขอวัดคู่หวาาจารย์กวดตากปัดตากสวยมัอ น, นยามขึ้นมมี่ทานนย่ามือเศ้านึงเพิ่นบ่าให้ผ้าไปสันน้นนะวะ ไม่พริกไม่แก้วยังเอามาเรียงวัดพี่ระบอวะสันทศสิแก ก, กกันยู่งสู้กันิ้นตัวผระกระดามูโตสิเสียหายเต้พุกหายจิ้นังเต้พุ่งไปสวดหมดวาสันพระปฏิบัติไปขอไปสั้นในบ้านวันลาบากเคยได้หรือวะันปวดขี้ปวดเนี่ยกับลาบากวะสันไปฉี้กับไม่แก่งก้นกับบม่มีวะสันไปเนี่ยวหาวันสีบังกับบม่มีวะสัน มันโงมีเหตุมีผลเท่าเพิ่นหลวงปูมานันอุบายต่างๆนั่นน่บ่มีในหลวงปูมันนั่นชากุฏีเขาได้ลังนั่นผู้นั้นได้ยังสั่นผู้นี้ได้ยังสี่เจ้าได้บ่าได้บอก่อุบายจกกระเป๋ บ่มีในหลวงปู่หมัดผู้ว่าจกกระเป๋าคนบ่มีในหลวงปู่หมัดจัดการจัดงานในวัดเพื่อหาได้ได้สองแท่งก็ดีหรือกว่าสาก็าดีแตบ่มีในปฏิปท่าของหลวงปู่หมัดได้ว่าสูงมือในคนท่อคอนไหม้ท่อไหม้่หน่อยว่พอค่ายว่าร้ายเป็นโทษมันบ่ดี Sponge, พ้นหลวงปู่มหาเพี่้นจาได้โพดพ้นทางโเอาลงแมประวัติบางบางสิ่งมันเป็นเว้นเป็นพ่แต่ทํานันมันก็เป็นเป็นเว้นขึ้นพรแหงแล้วพ้นฉลาดหลวงปู่มหาพ้นเกิดแม่บเลยเอาเล่โบเอาล่งที่ว่าประวัติมัดชูอันซูเนียันเอาล่งมดูอันซูเนลว่าฟังได้โรูมือนี่โง่สัตเอารด พุทธาพิเศษบวมีในปฏิปทาของหลวงปู่มันสาคุติเทศคุตติวิหารแล้วสิมาสลองกับผมมีในปฏิปทาของหลวงปู่มันมื้นตาคือมันเห็นหงละแผลมบสรองสลองก็งกงกตามนะบอกว่าง หาเหตุบาปบูเห็นพู้ได้ไปสรองให้มันเป็นบาปคนว่าของสัตวเหมนแต่มันเป็นบาปคนว่าเหมือนไปจับไฟไฟสรองให้มันห่อนว่าสันว์คนเราไม่หันได้เรื่องหาอุบายสรองเรื่องหาแะ่ต่างไรเถื่อเรื่องหากินขนมไายเทื่อว่าสัตวแต่ได้บุญไร้เทื่อจริงยู่งว่าสัตวท่านจริงหร่อมันหงุดหงิดนว่านักปฏิบัติบอชสอบบุญว่าสัตว์คนว่าของสัต หลวงปู่มหม่มีอะไรอันลายแนวว่าติดสิบหมื่นกระสุดซดเรื่องปฏิปทาของหลวงปู่มหน่แม่พอเคยได้ยินทั้งนั้น กายับเปกั๊สมัยสมัยนี่ปานฝ้ากับดินพุรบ๊อฝ้าก็ยังเลี้ยวเห็นดาวพราะเมเ็มเมมยมันยังมอเห็นสักมันเห็นดาวเพราะรีบดีรีบดีรีบดี คงต่อเวลาที่สุดหลวงปู่หมันมันคือมูอห่อมือห่อแพามายาตยญาติจะพิจเขาซึงเวลาเดิน อ, อยู่กรมจ้ของกัต้องพะนั่นเไน่ไรเจ้ากจ้างญามเดินอยู่กรมพรวานาของพระบอกเจ้าเอาทิพธีเจ้ามาขาของเพินมานั่นถึงยามเดิน อ, อยู่กรมพราวานาถึงญาตกวดตากด น, นู่นในมิผู้ปหาเด็ จ, จ้างเพื่นกั บ, บกว่าเขามหาคารวงกระตาม มาพถึงย่ามเพลินวางฉันออาเวลาของตัวมาข่าเพลินฉันตรสอบเบื้งปฏิปทาย่ามไดเพลินรับแขกย่ามไหนเพนลิเ น, นเฮกขวัดจังไรบ่ามามาตามอำเภอใจตเพลินวะแม่ของง่ายๆบอกเจ็บว่าปวดเคหยังไยแล้วปวดเาคิดว่าปวดปัน่นกันก็ร้งปูมหา นลงปู่มหาสุดอยู่บ้านหวยทรายแขกพระกับนักแขกย่อมกับนักไปนักยุ่ยซื้อยุ่ยบราจัสนี่เาก็นักวังสิบห า, ส, บหาสิบหกปีล่วงมาแล้วนี่เรกไปยุที่แล้วอนนัว่านักคนไหนหรอกแต่วังม่านักวังนี่ลหละวังคนเขียนประวัติของหลวงปู่มันนี่แหะกรุงเทพเล่แต๊อ ตื่นหัวประสิตืต่นขงุงเทพพระกรุงเทพออกมาหาโยมกรุงเทพออกมาหาทําบุญท่านท่านนันพระเจ้าพระสงฆ์ฝ่ายปฏิบัตินี่กระยอนหลวงปู่มาหานี่แล้วสิเม็อันอื้นอั น, อ น, อ น, อนไก่ยังตื่นประวัติหลวงปู่มาหานี่ เขียนโหพระกรรมฐ า, านเนี่ยรับปานนั่นตัวนี่กูรู้ว่าหงมือขี้งอย่างวะสิแล้วพระกระแตกมาสนอตัวห้ององค์ท่านเห็ดองค์ท่านก็ บ, บริโอหังมั่งโฮโลัลโหลจักเห็ดผู้อื่นเวี่งว่อนจันสิตายเพิ่นยังเห็ดเห็ดเพิ่นเกิดสงวนลกศิต ท, ทัเ้เพิ่งสั่งโม่ให้คาย ที่พิมเป็นธรรมท่านพ้นกบาวาพ้นผูกมัดต้องพ้นเกงน่งปัญญ์เหลือม 20, 30, 40, 40 50บส่มี่ใคมี่ซัดท่าอะไรจังมาพิมขายยังมาพิมแจกใครบุมี่เนี่ยก็เลียกวาไปแย่สุดมากเอาเป็นเครื่องสื่อเครื่องขายน่นหลวงปู่มหาเห็ดท่านพ้นท่านกัดธรรมะอีกด้วย ก็ทำมาบ่ามีบ้านิดเจ้าสิจัดได้อันไหนหนังสือว่าที่เจ้าต้องการเจ้สาสิพอไปหาควายเขียนจดไม้ไปส่ง ค, อ ค, อค่ อ, อ ย, ค ว, อ ย, ค, วอยควายเขียนจดไม้ไปเขายังวอนคอล้วควายควายก็ฝากว่าหาข่งควายมีเรียนไ ม, ม่แต่มันเมดข้าวมหาไว้แต่เช้าให้เจ้าขอไปวัดค่อยเอายากํายาซ่องไปให้ค่อยสูบหอก เฮ็ดถึงเฮ็ดท้องเหลือนก็อ้างขันนี้ใหม่เรื่องงี้เรื่องง่ายอยู่ในวัดได้ว่าสามปีสี่ปีคือจังมูเฮานี้ไม่ได้แล้วปานอาประพาดด้วยหัวพันปุนอ่ะคัดของ ฟ่าเฮ็ดฟ่าวเล้ยวฝ้าวทำนี่นุ่มจะเฮ็ดอันไหก็ได้อเนี่ยถื้อว่าอวดเอาอวดเอาอ่างบ้านเมื่องเพิ่นไหวะจะเอามาแซ่ไว้เฮ็ดน้อยก็ให้แล้วเฮ็ดหลายก็ให้แล้วตามหลายตามสมค่วนอาื้อเอามาแช่ไว้แค่เทากองไหวสี่ปีห้าปีก็มี สิศ ป, ปีก็มี่ข้นอะไรบ้าได้แหละหลวง ป, ปู่มหาโ อ, อ้ยหลวง ป, ปู่มันไม่ได้เห็ดเดี๋ยวก็เฝ้าเห็ดให้มันเลี้น่ะโยมก็ได้ว่าการว่า ง, งานเกิดขึ้นในวัด น, นี่สิโยมเข้ามาเห็ดซอยสิเพิ่นบ่อะไรเพิ่นบ่นหายพระไปนอนเว้นอยู่เลย หิบไม้อิบมาเฝ้าไมเหิบจะจะเป็นพี่บ่ายเข้ามาเฮ็ดงันวัดงันว่าโตให้มันโดดนคนวะเฝ้าไมาเฮ็ดถ้วยกันให้มันแล้ี่ยวคนวะถึงเวลามากก็เลิกโกรธเก็บให้สะอาดกกขี่กบขี่สิวิีสังก็ได้สิงของยังไม่ได้ดทิมแล้วเนี่ยละนาดคุไวพ้พราะคุเสียมไวพ้พราเสียมจกไวพ้พราจก กบพอกบอกซิวยพอซิวเลี้ยหันซ้ายกบหานซมากบอยู่ในวัดบริห็ดเรื่องหัวเรื่องเหีเห้ไว้แล้วงานลุมมางโรดห้องนี้ว่าจะผพวผู้กินผ่้เพียงหรอกคุ้เงินไม่คันละมันไกลกันเป็นได้สรนกระเพืน่น โอฉันเอาโหลดว่าพ้าิะไปจับกุ้มกันน้ำมือแรงกุดนั่นกุดนี่ว่าไรสามีทุลัดเงียบที่สุดเฝ้าไปเฝ้าไปหาห้องไฟห้องมันมี่ทุละคัดของ ทุกสาหารเยย่างกันกระจายง่อยน้ำมันหิมวนลำลายลงฟองเสียงน้ำลางาฝงเปะเปะเปะเปะได้ยินหอดสาคูที่คุดก็ไม่ได้อีกนี่มันลอปูมันล็อปูมัหาก็คือกัน บนเปลล่างนาเกิดขี้ไข่บอเอาตีนถูก็ะห้ใช่ไหมเอามาเห็นอันบนห่างนาเนี่เกิดขีข้ไข่ถึกกูอดเอาตีนเอาหยังถูแรียหัวหันนี่ฝ น, นตกฝนตกเศร้าไหมไหมเห็นดินบนไห้มันล ม, ลมไปเหยียบเป็นห้อยมังกลางลวงปูมันให้หลุงปู่มหายัายายยงงให้อยู่เสมอนี่ มันเฮียงแล้วมันก็เป็นห้อยมังก้า ง, งนี่มันมันแก น, แกนเป็ย่งยังบอเวยินไปให้พี่สันทุนว่ากลนกอกวานกอกยาทิมให้วิทวัดวิทยว่าเฮ็ดซื้อดุยซื้อได้ยาท่านอกท่านใจกินแล้วให้ทิมให้วิทวัดวิทว่าให้เผา เฮ็ดซู่หรือ่ไรคือตลาดบ่ได้อีกละหลวงปู่มหาก็ยังใสอยู่เสมอขวตัดวดตะียังไงทวนทนนีบ่จับนรลุบ่รักจดบนบรลุกห้อีกคือกันหลวงปู่มาหลวงปู่มหาก็คือการยังใสอยู่เสมอหลวงปู่มหา ขันบนไดมันลุบยจะไปขวดขี้ดินออกลายขวดขันขี้ดินมันมาบนอื่นเน่ยมาถมบนหันแล้วให้ค่อยเคลียร์ใหม่ออกยัดจะไปวดนี้หยินดินเน่แหล่งกวดนี้มันกระบกมันบ่คือดินเนี่ยฝนฝนวาสั่นินเนี่ยฝนตกลงมานมันแรนใส่กั่งฝนว า, สนนนน ว, าสนวสัวนวน่นเลาะสวมเลาะฐานหกก็บอได้อีกละ ข้อยไฮเตญาติยมเขามาเห็ดแต่เขาโด ม, นโดมเมน่าโดนเหม็นเพื่นวะเพื่นวะผักห้องนีเน่นห้องนี้ผักขาวห้องนี้เพียงจังโมไปเห็ดเพื่อนวะชมข้อยให้เตเขาแถววะส่าอันนด้ก็จะเขาเห็ดมดอันเจเขาอันนด้ต่จะเขาเห็ดมดตัวกระได้กินถึงจะหางกระดูกมันสิ้นมันเขาเออกไปกินมดเพื่อนวะยิ่มทีมีลายอันนี้กระางเพิ่นบอกห้เพิ่นบอกห้ตักน้ำลาย เอาละตัดเส้นานไปใช่ไหมใชะพระสิบมิ่งขอวัดเนี่นสิบมิขอวัดเพื่นวะหลวงปู่มหาหลวงปู่มันคือกันอันเดียวกันพาจะเขน็นหลวงปู่มันกับเงหลวงปู่มหาอะไรก็แล้วดอกเบิ่งบาดยางก็ได้เบิงมเมบ้งข่มก็ได้บอกว่นคนเลอะแหละ ไปทอดผ้าป้าน้ำหลวงปู่มันเขา้นี้พระน้ำนาไปเลยจ้ามันบ่ถือกัปธรรมะเพลินไปขูดไปเกาเขาไม้ยังเนตัวเขาอย่างไมเข า, า, า่าแต่เขาอันเม่าน่ะเจ้านาเจ้าตายัางเห็นตัวเออหลวงปู่มันหลวงปู่ปหาจะคือกันอะไรละลเรามอรบอก เขาวังสิเอาหนาเอาตาเมาลดไปแล้วน้อส huh, ja, ิอยากให้เพื่อนว่าดีเขาจกหาขั้นซิบขั้นมีพระนั่งหนาไปมึงรู้หันนะจ้างเงาะโบออกมารับไปรีทีบได้โบหันนะบอกท่นเอาโรดมักไงไฟสูงเจ้าหนาเจ้าตาอย่างสิบตัวนันเขาง่ายๆบอกเหตุทังสั่นพวกมาถอดผ้าปามูอห่อย เขาจังเหตุถ้ามันถือธรรมะของหลวงปู่นะเขาจะไปบรรตารนี่เขาจะไปไสตะ บ, บาตนี่<ม>เขาจะไปไสตะบัดใสตะบัดบบนอกวัดเพิ่อนนี่<ม>เขาก็ฏิโซ่กินเขา<ม>เขาปฏิโซ่กินเขาในในรถเขาจะไปบนอื่นเพื่นนั่ะเขาคงจะคงจะขอวัดของเพื่อนท่น